ข้อที่5รับฟังความเห็นของผู้อื่นเขารบความคิดที่แตกต่างไม่ลืมรถชาติของความภายแท้จดจํารอยแพลวันที่คนไทยหัวใจสลายบนทางที่แตกต่างสี ที่ทุกคนทําใจไม่ได้น่าเศร้าใจที่เห็นคนไทยไม่รักกันก<ร>ลับมาทบทวนกันดูสักครั้งบท เ, เรียนเบื้องหลังได้สอน้วไรเรามากกวนั้นเราลองว่า ปมปัญหาหันหน้ามาและพูดจากันคนทางเดียวจะช่วยให้ผ่านให้พ้นไปสู่ความสงบสันติสามัคคี เบ้านเมืองที่ทะเลาะกันทุกวันนี้เพราะเราไม่รับฟังความเห็นของผู้อื่นมองต่างมุมเป็นแฟชั่นเอ็งมามองอย่างนี้ข้าต้องมองอย่างนั้นเอ็งมองอย่างนั้นข้าต้องมองอย่างนี้มันเก๋ดีแล้วก็เฮเฮตบมือกัน บางครั้งมองดูแล้วมันสะท้อนความบาดซบของสังคมออกมาให้เห็นแต่เราไม่ค่อยรู้ตัวกันตามกระแสเหมือนม็อบเฮ่ๆ hey, hey, อะไรไม่รู้เคยจับกลุ่มกันเยอะๆไฟไหม้ตะโกนออกไปวิ่งกันแล้วถามว่าอะไรไม่กระดาษนิดเดียววิ่งกันแล้วอันนี้คือจิตวิทยาของม็อบเพราะฉะนั้นรับฟังความเห็นของคนอื่นเนี่ยสาคัญ วันที่หธันวาคมพุทธศักราช2546ที่ผ่านมาส่งเตือนอีกนะครับทรงมีรับสั่งว่านั่งปรึกษาหารือกันฟังเขาแสดงเหตุผลออกมาแล้วเราแสดงเหตุผลออกไปแล้วดูสิเหตุผลอันไหนจะยอมรับได้ถูกต้องมากกว่าและเมื่อตกลงกันแล้วก็เลิกเถียงกันต่อลงมือปฏิบัติเลย ทรงรับสั่งเอาไว้อย่างเรียบง่ายเพราะถ้าไม่ยอมกันแล้วต่างเอาชนะขะค า, านกันแล้วเริ่มต้นก็ด้วยวาจาผลสุดท้ายก็ร่างกายและผลสุดท้ายก็ตีกันแล้วเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้านพังจะเป็นพฤษภาธมินจะเป็นส4ตุลาอะไรก็แล้วแต่บ้านพังบ้านของทุกคนด้วยไม่ใช่บ้านของคนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นทำอะไรให้นึกถึงบ้านเอาไว้คำว่าบ้านนั้นกินความถึงองค์กรที่ท่านอยู่กรมที่ท่านอยู่กองที่ท่านอยู่สำนักงานที่ท่านอยู่แม้กระทั่งบ้านที่ท่านอยู่การทะเลาะเบาแหวกกันล้วนแล้วแต่ทำให้ที่ใดที่หนึ่งซึ่งเป็นของท่านและท่านต้องอาศัยอยู่พังทลายไปแน่นอนในที่สุดเพราะฉะนั้นให้ความเคารพ แต่ละคนคิดไม่เหมือนกันลองมานั่งดูซิว่าเหตุผลที่ดีที่สุดน่ายอมรับที่สุดนั้นคืออะไรผลสุดท้ายก็จะตกลงกันได้อันนั้นสิครับเป็นหนทางของมนุษย์ที่มีสติและปัญญาเขาทำกันไม่ใช่ความคิดของกูเป็นที่ตั้งจะเอาอย่างนี้ใครอย่าเถียงอันนี้ไม่ได้นี่ก็คนเถื่อนแล้วไม่ใช่คนมีสติปัญญา สงบสันติสามัคคีรวมใจกันทําความดีถวายพอล้วงของไทยหล่อหลอมเป็นใจเดียวกันมาสารส้งางสันติางเลือกันใหม่อยากเห็นคนไทยรักกันได้อย่างเดิน ไ i love, w r e s t r o u a